เรื่องสะพานหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดจึงเขย่าสะพานไม้ที่หญิงเดินขึ้นไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังคาที่เศษแต่ต้องอบัตทุกกดวงเล็บเรื่องที่บสอง